พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสรรสนีสนทนาดำเนินรายการโดยสรรสนีนาพง์ทางสถานีวิทยุ FM106 ครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกียิเพื่อเป็นการให้ท่านฟังได้เข้าใกล้พุทธวัจนธรรมวินัยจากพุทธโอด์หลังจากที่พระมารชาควโรได้มานำการปฏิบัติธรรมอ่านพระสูตรให้กับท่านฟังได้ฟัง ก็เป็นที่เข้าใจกันกว้างขวางแล้วก็ปฏิบัติตามกันได้หลายท่านบอกชื่นชอบนะคะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีแล้วก็หลังจากที่หมดช่วงเวลาที่ท่านมาร์กอ่านพระสูตรก็ยังถือโอกาสที่จะปฏิบัติเรื่อยไปจนจบเวลาของการสนทนาธรรมด้วยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ท่านจะได้ฟังพระสูตรจากพระมาร์กชาคาวโร ค, ค่ะนมันส ก, การกันทัานค่ะเจริญพร วันนี้เราก็มาปฏิบัติทําความเพียรเผากิเลสกันต่อด้วยการเจริญอาณาปานสติถ้าก็จะเอาประสูตรเรื่องของอาณาปานสติมาอ่านให้ฟังเพื่อให้เราได้น้อมนําประพฤติปฏิบัติแล้วก็สามารถจําได้ขึ้นใจเก็บไว้กับตัวเองต่อไปก็ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลย <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสอนการเจริญอาณาปานสติเอาไว้ว่า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 ทำกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปณนาสติการที่เรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจก็เป็นการเจริญอาณาปณนาสติและหากจิตนั้นหลุดออกไปคิดในเรื่องของความสุขความทุกข์ ในเรื่องของอดีตหรือปรุงไปในอนาคตพระพุทธเจ้าก็ให้เรารีบละความคิดนันเสียเรียกว่าการละนันทิหรือว่าการละความเพลินแล้วให้มีสติกลับมาระลึกรูก้อยู่กับลมหายใจหรืออิริบทอื่นๆของร่างกายที่เราเรียกว่ากายคตาสติ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงอนิสงค์ของอานาปนาสติไว้ท่านได้ถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตามมีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญ ทำให้มากซึ่งสมาธิเราไหนเล่าภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งอาณาปณาสติสมาธิ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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแควนเปล่าก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ ถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอนาปานาสตินั้นเล่าดังนี้แลอ น, นิสงของอานาปานาสตินั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าทำให้กายและจิตของเราไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงและท่านสันเสริญว่าหากเราจเจริญอานาปานาสติแม้ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือก็เรียกว่าอยู่ไม่เหินหกจากฌาน เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามอาวาตของพระศ า, าสดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอสําหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาใครอยากจะออกจากสมาธิเพื่อมาฟังในช่วงถัดไปก็ทําได้ใครอยากจะเจริญอาณาปานสติต่อเพื่อฟังช่วงถัดไปก็ทําได้ตามสะดวกสําหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปฏิบัติกันต่อ เห็นอันนี้สงชัดเจนทีละเล็กทีละน้อยนะคะวันนี้ก็คือจะไม่เกิดความหวั่นไหวโยกโลงแห่งกายและจิตแล้วก็ระยะเวลาแม้เพียงสั้นนิดเดียว เท่ากับเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานแล้วเรามีเวลาที่จะให้ท่านอยู่กับรายการเราแบบปฏิบัติสมาธิอนาปานสติไปด้วยนี้อีกจนกว่าจะจบรายการวันนี้ก็นามสกัดขอพระคุณพระมาร์ชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบพบท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนามสการกันทัางค่ะเจรรศพร